เราก็ได้สวดหลายบทเนาะโดยเฉพาะบทพิจารณานะปัจจัยสี่ด้วยความเป็นเป็นธาตุ ม, มันก็ได้เห็นว่าจีวรก็คือเครื่องนุ่งห่มเนาะอาหารนะที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคเนี่ยก็คือ มันก็คือส่วนประกอบของาธาตุต่างๆมาประกอบกันเนะาะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนะส่วนประกอบก็มาประกอบกั น, นแตกต่างกันไปคล้ายๆเหมือนกับศาลานะก็มีาธานตะุทั้งสนีะ่ประกอบกันจนเป็นศาลานี่กนะุตนะิก็เป็นรูปทรงแตกต่างจากศาลานะแต่ก็มีาธาตุทั้งสี่ประกอบกันนะ แตกต่างกันไปนะต้นไม้ก็เหมือนกันนะชื่อว่าต้นไม้แต่ก็มีหลายชื่อนะมีหลายชนิดขนาดก็แตกต่างกันนะมนุษย์เราเองก็เหมือนกันนะนะบอกว่าเป็นมนุษย์เป็นคนแต่คนละเชื้อชาติคนละคนละประเทศหรือไม่แต่คนประเทศเดียวกันท้องพ่อท้องแม่เดียวกันก็ยังแตกต่างกันเนาะ คือธาตุที่มาประกอบกันมันมันคล้ายๆกันนะแต่มันก็มีความแตกต่างกั น, นก็เลยเกิดเกิดมามีความแตกต่างมีความหลากหลายนะถ้าเราพิจารณาดูดีที่จริงเรามีความเหมือนกันเนาะด้วยความเป็นธาตุที่เหมือนกั น, นไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองคนอื่นสรรษษัตว์สัตว์หรือแม้แต่วัตถุที่ เคลื่อนไหวไม่ได้นะพูดไม่ไดนะ้แต่ก็คือส่วนประกอบที่ที่มารวมกันเนาะแล้วก็สุดท้ายเนะหนือต่างพวกนั้นก็จะกลับคืนไปสู่ความเป็นธาตุเบื้องต้นนะแล้วก็เกิดธาตุใหม่ขึ้นมานะอย่างร่างกายของเรานะสุดท้ายก็ต้องเอาไปเผาไฟนะหรือไปฝัง ไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกแบบหนึง่งพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นเนี่ยแหละว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันคือเหตุที่มาประกอบกันเนาะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะักแต่ว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นนะกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดนมีเหตุมีปัจจัยนะ เกิดขึ้นนะแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่นะอยู่เนืองนิดไปเรื่อ ย, เ, อยนะเหมือนกับร่างกายของเรามีเหตุมีปัจจัยนะหายใจเข้านะหายใจออกเลือดดมเลือดก็วิ่งไหลผ่านหัวใจไปเลี้ยงสิ่งต่างๆนะเซลล์บางอย่างก็ตายไปนะนะพะมันถึงอายุของมันนะันนี้คือเหตุคือปัจจัยที่มัน มันเกิดขึ้นอยู่เนืองนิดนะตลอดเวลาเหมือนกับลมเนี่ยนะมันไม่ลมไม่เคยอยู่นิ่งนะมันพัดไหวอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงแต่ว่าพัดมากหรือเพราะพัดน้อยนะมันก็มีการเคลื่อนของมันอยู่ตลอดเวลาเหตุปัจจัยพวกเนี้ยก็เหมือนกันนะถ้าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยที่จริงชีวิตของเราก็คือ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะถ้าเราเข้าใจว่าออสุขอย่างมันก็คือเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามใจของเราอยากนะแต่มันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เลยเกิดแบบนั้นนะไม่ใช่เพราะว่าความอยากนะทำให้เกิดนะเหตุนั้นๆแต่จริงความอยากก็เป็นเหตุนะเหตุให้เกิดความทุกข์นั่นแหละนะ พระเจ้าก็บอกเนะี่ยสมุทยัยนะคือตัณหาเนี่ยคือเหตุให้เกิดความทุกข์นะมันก็เป็นเหตุเหมือนกันนะมันมีเหตุฝ่ายทุกข์ก็มีเหตุฝ่ายไม่ทุกข์นะ <c oughs> จะมีบทที่เรียกว่าปฏิจจสมุทบาทนั่นแหละ <c oughs> เริ่มต้นตั้งแต่อวิชชาเนาะคือความไม่รู้นะีะเริ่มต้นไปเลยนะี่ยพอเราไม่รู้นะ มันก็สุดท้ายก็เกิดเป็นความทุกขนะ์ความไม่รู้นี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเหมือนเราไม่รู้ภาษาก็หลังเศษอะไรแบบนั้นนะนะความไม่รู้คือเรารู้ไม่จริงนะเรารู้ไม่จริงนะคือรู้รู้อย่างไรรู้ไม่จริงก็คือคิดว่าสิ่งต่างๆมันเที่ยงสิ่งต่างๆมันเป็นความสุข สิ่งต่างๆมันบังคับบัญชาไดนะ้นี่คือรู้ไม่จริงนะหรือคิดว่าสิ่งนี้มันสวยนะทั้งที่จริงมันเป็นของไม่สวยไม่งามนะเหมือนกับร่างกายนี่แหละนะเรามองเป็นความสวยนะเป็นความดีแต่จริงมันก็ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นเอาวบย ว, วะน้อยใหญม่มาประกอบกันนะ ใต้ผิวหนังลงไปนี่ก็เป็นเป็นเนือ้อเป็นเลือดเป็นเนะเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเรามองดูภายนอกว่ามันสวยแต่ข้างในจริงๆมันก็ไม่ได้สวยนะสิ่งที่คิดว่ามันจะเที่ยงนะแต่มันก็ไม่มันก็มีความไม่เที่ยงของมันนะอยู่เสมอนะอันนี้แหละคือมันมองเห็นไม่จริงเนาะเรารู้ไม่จริง สิ่งสำคัญคือเราต้องฝึกให้เห็นความจริงนี่แหละนะการมีสติการรู้ตัวเนี่ยจะทำให้เราเห็นความจริงนะความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนะเราก็เลยต้องกลับมาดูนะกลับมาดูร่างกายกลับมาดูความรู้สึกในจิตใจเนาะเขาคือความจริงที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะเรามาดูบ่อยๆดูบ่อยๆฝึกตาบ่อยๆเนะี่ย ความจริงนะตัวเนี้ยมันจะปรากฏให้เราเห็นบ่อยๆเมื่อเห็นบ่อยๆเนะี่ยเราจะเกิดความเข้าใจบ่อยๆนะเห็นอย่างร่างกายเนะี่ยดูสิแล้วมันก็ไม่สบายเนาะนั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อยนะนอนแรกๆว่ามีความสุขแต่นอนนานๆก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวานะก็ต้องเรียกว่า ยิ่งถนอนเป็นสิบชั่วโมงขึ้นไปยิ่งปวดเมื่อยร่างกายแล้วแหละนะนะเรานั่งนานๆนเราลุกขึ้นไปยืนมาเดินเลาว่ามันสบายนะแต่พอเดินสักพักหนึ่งมันก็ปวดขาก็ปวดเมื่อยละก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเนะี่ยร่างกายเขาแสดงความทุกข์ให้เราเห็นนะนะเรากินอาหารดีๆเข้าไปนะร่างกายสุดท้ายจุดหนึ่งเขาก็ต้องอยากจะขับถ่ายออกมานะ หายใจเข้าออเข้าไปนะว่ามันสบายจะหายใจเข้าตลอดก็ไม่ได้ก็ต้องหายใจออกนะมันบังคับไม่ได้จริงๆนะนี่คือร่างกายเขาแสดงความทุกข์ให้เห็นน ะ, นะไม่ต้องรอเราป่วยไม่ต้องรอเราแก่นะแต่จริงความทุกข์ของร่างกายเนี่ยแสดงให้เห็นในอีริยบทต่างๆนะถ้าเราดูนะเราจะเข้าใจนะแต่การดู เวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยเราจะดูแบบไหนนะบางคนก็ลองใช้วิธีว่าไม่ปรับเปลี่ยนนะเช่นนั่งปวดเมื่อยนะก็ดูความปวดเมื่อยไปเลยนะไม่ต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าที่จริงก็อิริยาบถเนาะก็คือตัวตัวแก้ทุกข์นะอย่างหนึง่งลองไม่แก้มันดู แต่ดูความแต่ดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่านกายที่จริงมันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะปวดบางทีมันก็ปวดไม่เหมือนกันนะปวดมากๆกโอ้ก็ปวดมากปวดกวเก่าอรหรือว่าปวดน้อยลงอนะไเนี่ยความปวดมันก็มีแตกต่างกันนะถ้าแบบพบภาษาหมอภาษาพยาบาลเขาก็จะแบบให้มีมีระดับเนาะ ปวดตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงระดับสิบเนี่ยปวดเท่าไร่อะไรประมาณกนะ็ให้เราเห็นนะเห็นว่าความปวดมันประมาณเท่าไร่นะดูมันไปก็ได้เนะดูเพื่อประเมินก็ได้อันนี้ถ้าเราดูได้นะแต่ส่วนใหญ่เวลาปวดมากๆเนี่ยจิตมันจะไม่ค่อยนิ่งหลักนะแต่ถ้าใครสามารถดูได้ก็ดูก็กดีนะแต่ถ้าใครดูไม่ไหวนะเราก็ คนมันสักพักหนึ่งแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะอันนั้นเราไม่ได้เน้นดูเวทนาของกายนะแต่เราอาจจะเน้นดูการเคลื่อนไหวของกายส่วนหนึ่งนะหรือบางทีถ้ามันเวทนามันหนักมากมากนะเราดูเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายที่มันปวดเมื่อยไม่ไหวนะที่จริงร่างกายหลายส่วนนะมันก็มันไม่ได้ทุกไปด้วยกันนะที่ ว, ว่าปวดนะบวดเนื้อมวดตัวจริงๆเนะี่ยมันไม่มีหรอกนะ บางทีเนะี่ยมือเราก็ยังพลิกได้อยู่นะมือที่พลิกได้มันก็มันก็แบบมันแสงความรู้สึกตัวนะมันเบาสบายนะเราอาจจะปวดหัวปวดท้องนะแต่มือเราไม่ได้ปวดแล้วก็ใส่เครื่องอยู่เนะี่ยมาอยู่แทนนะหรือบางทีอยู่กับลมหายใจอยู่เนะี่ยลมหายใจก็ไม่ได้ปวดเมื่อยอะไรนะนะี่ ก็หายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกมันคล้ายๆเราสร้างเครื่องอยู่แม้ท่ามกลางทุกขเวทนาของร่างกายบางส่วนนะแต่เราก็มีเครื่องอยู่นะที่มันไม่ทุกนะไอความรู้สึกตัวเนี่ยมันคือทำให้เราไม่ทุกนะเราอยู่กับกรรมฐานนะสักส่วนหนึ่งเนี่ยเรามีเครื่องอยู่ในปัจจุบันนะก็คือการดึงจิตให้มาอยู่นะให้มารู้ให้มาดูนะ กรรมฐานสัก อ, อย่างหนึง่งมันจะเป็นการดึงจิตออกมาจากเวทนานะก็คือดึงดึงจิตออกมาจากความทุกขนะ์แต่ถามว่ามันเห็นทุกข์ไหมนะมันก็จะรู้ของมันเองนั่นแหละเพราะว่าเวทนาถ้ามันแรงมันก็จะทำให้เหมือนรู้สลับกันไปเองนะเช่นเรารู้มือที่พิษนะเราก็จะรู้สึกถึงเวทนาที่ปวดเมื่อยส่วนอื่นไปด้วยนั่นแหละ เคยไปแนะนําคนไข้หลายคนนะส่วนใหญ่ก็แนะนนะําเนี่ยให้เขาพลิกมือสร้างจังหวะนะพลิกมือเคลื่อนไหวนะหงายมือคว่ำมือหรือว่ากรําร ม, มือแบมือนะทําง่ายอยู่เนี่ยนะคนที่แบบมีเวทนาหนักหนักเออพอเขาทาไปจริงจริงนะ่ะเออพอเขามีเครื่องอยู่นะเป็นยังไงบ้างก็ะทำเขานะเขาบอกเออก็อทุกน้อยลงนะเจ็บน้อยลง อันนี้คือเขามีเครื่องอยู่มากขึ้นก็ทำให้แม้ร่างกายส่วนอื่นอาจจะเจ็บอยู่แต่พอใจมาอยู่กับสิ่งที่เคลื่อนไหวตรงเนี้ยมันก็เจ็บน้อยลงแต่ที่สาคัญคือไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวดึงจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะกลับมารู้สึกตัวคือกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารู้ตัวอยู่เพราะส่วนใหญ่จิตเนี่ยถ้ามันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันจะ มันจ ะ, ตะเตลิดไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะอย่างเวลาไปเยี่ยมคนไข่บางคนเนะี่ยถามว่าตอนนี้ใจอยู่ไหนจะอยู่บ้านคือ <c ười> อยากคงอยากกลับบ้านคงคิดถึงบ้านหรือว่าคงมีเรื่องห่วงอยู่ที่บ้านนะหลายคนบอกว่าตอนนี้ใจอยู่บ้านนะอ่ะเดี๋ยวลองลองพลิกมือดูสิคล้องมือนะทาไปเรื่อยๆนะไม่ถึงหนึ่งนาทีนะ ทถามใหม่ทีนี้ใจอยู่ที่ไหนอ๋อใจอยู่ที่มือนใจอยู่กับตัวแล้วเออให้ทําแบบนี้นะทําแบบนี้นใจไปบ้านอนะ่ะก็ดึงใจกลับมานะใจกลับมาแลนะ่วเพราะว่ารู้รสึกเลยวนะ่าพอใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยใจเหมือลอยไปเนี่ยมันเป็นทุกข์เนาะทุกข์เพราะอยากจะไปนะแต่มันไปไม่ได้นะ ทุกเพราะว่าไปคิดถึงแต่มันก็แค่คิดมันทำอะไรไม่ได้เป็นความทุกข์แต่พอเราอยู่กับกนะารเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นวิธีดึงใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใจมันจะดุดจะลอยไปที่ไหนก็แล้วแต่เนะเาะล้วก็กลับมานะใจดุดลอยไปกับความคิดนะเรื่องการเรื่องงานนะก็ต้องรู้จักกลับมาเหมือนกัน ใจไปหลุดรอยอยู่กับอดีตกับอนาคตนะแล้วก็อ่ารู้ทันนะเราไม่ห้ามความคิดมันจะลอยไปนะก็รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็จะกลับมาของมันเองนะแต่ถ้ามันกำลังมันแรงบางอารมณ์กำลังมันแรงนะก็ จ, จะต้องตั้งใจนะตั้งใจตั้งใจพลิกมือตั้งใจเดินนะตั้งใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนะี่ย ก็อาจจะเป็นการดึงสักหน่อยนแต่พออารมณ์ที่มันยั่วยวนมันอ่อนไปก็ให้ทำสบายสบายขึ้นถ้าเราไปกําหนดมันมากมันจะเป็นอึดเป็นการอึดอัดนะเป็นการเพ่งจ้องนะเป็นความเครียดเกินไปนเหมือนบางคนก็เคยมาเล่าให้ฟังเนี่ยบางทีมันพอปฏิบัติทำมาแล้วบางทีมันเหมือนมันแข็งนะ จิตมันแข็งแข็งนะมันรู้รู้ตัวอยู่แต่รู้แบบแข็งแข็งอันนั้นแสดงว่ามันมันตั้งใจมากเกินไปนะมันรู้แบบพยายามที่จะไม่ให้มันคิดนะไม่ให้มันหลงนะมันก็เลยเป็นการกำหนดมากเกินไปนะที่จริงเรารู้นะมันก็หลงได้นะแต่หลงไปแล้วก็รู้ว่ามันหลงมันก็กลับมาใหม่นยมันก็จะเป็นการสลับไปเรื่อยนะ ระหว่างการรู้กายที่เคลื่อนไหวเนะี่ยแต่ถ้าเราทําแบบสบายๆเนี่ยนาะนะมันชิงอาจจะหลงไปเนะี่ยแต่หลงไปแล้วก็รู้ทันได้เร็วนะนะรู้ทันแล้วก็กลับมาใหม่เนะี่ยที่รู้ว่าหลงว่าก็คือสอติเหมือนกันนะที่รู้ว่าเคลื่อนไหวก็คือสติเหมือนกันนะไม่ผิดแต่ถ้าเราไปกําหนดมากเกินไปเนะี่ยมันจะบังคับมันเกินไปเนาะ แต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเลยมันก็มันก็จะระเบิดเกินไปนั้นทางสายกลางเนาะทางสายกลางเนี่ยก็คือเนี่ยการอยู่การรู้นีการรู้ว่าตอนเนี้ยทําอะไรอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็รู้ทันรู้ทันอากาศที่มันเผลอมันหลงไปไม่ว่าเผลอเผลอไปคิดนหรือว่าเผลอไปเพ่งนี่ก็คือเราดูว่าเผลอ มันก็คือเป็นการเดินทางสายกลางละนะก็คือเราก็สะสมพวกเนี้ยไปเรื่อยเรนะื่อยทำทำไปเรื่อยเรื่อยทำไปเรื่อยเรนะื่อยเราพยายามสะสมเหตุเนี่แหละนะอย่างที่ว่าตอนแรกว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนาะอันนี้ก็คือเหตุนะเราทําเหตุเราทําเหตุหตด้วยการมีสติด้วยความรู้ตัวเนะี่ยอันนี้เป็นเหตุที่เราได้ทําในมรรค เพราะมักสุดท้ายก็จะเกิดผลคืนนีโ้โลดก็คือความพ้นจากความทุกข์นะเราก็ทำเหตุตัเนี้แหละนะให้เราพยายามมีความพอใจในการทำเหตุนะบางคนปฏิบัติธรรมเนะี่ยอยากจะได้ผลมากเนี่ยโอ้ยิ่งทุกข์มากนะเนะี่ยบางทีทุกข์ภายนอกเนี่ยก็ทุกข์ไม่เท่าไหร่แต่ทุกข์เพราะอยากจะบรรลุธรรมทุกข์เพราะอยากจะได้ที่พึ่งเนะี่ย ทำไปพักๆหนึ่งก็จะเครียดว่าประเมินว่าตัวเองทําไมทำรรมานานแล้วไม่เป็นอริยะทันทีนะหรือทำมาแล้วไม่เห็นได้ที่พึ่งได้กิจที่รู้ตัวเป็นอัจฉริสสะยนะันทีอะไรนะพอยิ่งคิดแบบนี้ยิ่งทุกข์นะทุกข์เพราะเรื่องอื่นภายนอกเนี่ยบางคนก็ปล่อยวางหรือว่ายอมรับได้นะแต่ทุกข์เพราะว่าตัวเองไม่บรรลุธรรมสัน ท, สทีเนี่ยมันทุกข์หนักเลยนะ นะยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งคิดก็ยิ่งท้อไม่อยากทำนะแต่จริงถ้าเรามีความสุขในการทำเหตุเนาะเรามีความใจนมีความพอใจในการทำเหตุเนะี่ยมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงมากกว่านะสุขที่เราได้ทำไม่ใช่สุขที่เราเจะได้อะไรนะเนะี่ยสุขที่ได้ทำนะเหมือนกับสมมติท้าทางโลกเนาะเราพูดกันถึงเรื่องความ ประสบความสำเร็จด้วยนะอะไรคือความประสบความสำเร็จนะต้องมีเงินทองเยอะๆหรอต้องมีชื่อเสียงเยอะๆหรอนะต้องมีตำแหน่งหน้าที่อำนาจเยอะๆหรอนะหรือว่าต้องชนะนะต้องเป็นที่หนึ่งนะต้องเป็นแบบนั้นเหรอถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จนะแต่จริงมองในแง่หนึ่งที่จริงขนาดที่เราทำเหตุ ที่ถูกทําเหตุที่ดีนะจะเรียกว่าชีวิตเราก็สําเร็จผลก็ได้นะเรามีความพอใจในการทําเหตุไปเรื่อยอย่างเช่นสมมติเราเดินทางสมมุติขึ้นยอดเขาเช่นภูก็ดึงนะ้เราก็เดินทีละกนะ้าวล้วก็สําเร็จทีละก้าวดี๋ยวนะั้นนะเราก็ขึ้นนะี่ยจากจุดเดิม ทีละเก้าทีละเก้าเนี่ยมันเป็นความสาเร็จในทุกเก้าย่างที่เราได้เดินทางเลยนะพอสะสมไปเรื่อยๆนะมันก็ถึงจุดหมายได้นะแต่ถ้าเราเมื่อไรที่คิดว่าเมื่อไรจะถึงโอ้ทาไมมันไกลเหลือเกินเนี่ยพอคิดแบบนั้นนะมันทุกมันเหนื่อยเลยแหละโอ้อีกตัง้งมาไกลกว่าจะถึงยอดเขาแต่ถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการเดินทีละขนาะทีละขะน่ ใจมันจะมีความเบาขึ้นนะมีความมั่นคงขึ้นเออว่าเราก็ทำเหตุที่ดีแต่ละขณะแล้วเนาะนะีนะ่เราก็สะสมไปเรื่อยนะจะเรียกว่าความสำเร็จนะคือการที่จิตเราอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำนั่นแหละนะหรือว่าความสุขมันก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในระหว่างทางที่เราเดินนั่นแหละนะ เราอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยแหละไม่ต้องรอความสำเร็จหรือรอความสุขที่เราจะต้องต้องไปถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าเราจะต้องให้งานมันเสร็จเท่านั้นเนาะแต่จริงมันเหมือนเสร็จทุกวันนะอย่างเราทำงานที่นี่ก็เหมือนกันนะจะเรียกว่างานเสร็จหรือเปล่ามันก็ไม่เสร็จหรอกนะมันก็เสร็จทุกวันเสร็จทุกวันนะมันทำไปเรื่อยอย่างวัด อย่างวัดป่าสุขโตเนี่ยนะนะก็สร้างมาสี่สิบห้าสิบปีแล้วนะก็ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยนะอย่างตอนนี้ก็นะทำที่จอดรถนะนะอยู่หน้าวัดนะทำป้ายใหม่ก็ทำนะก็ทาใหม่หรือบางอย่างมันเสียก็ซ่อมใหมนะ่ก็ต้องทำทุกวันนะอย่างอสมนี่ก็เหมือนกันอาสมวิญยารรมก็ เพิ่งมาอยู่ไม่ถึงปีมันก็ต้องมีสิ่งที่ทำนะกนะ็ทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆนี่มันก็ทำก็เสร็จทุกวันนะนก็มีสิ่งที่ต้องทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีเหตุที่ต้องทำไปเรื่อยๆนะแต่ก็ใจเราก็อย่าไปปรุงแต่งปรุงซ่านมากว่าจะต้องทำนั่นทำนี่เยอะแยะมากมายบางทีก็มันมีโปรเจกต์เยอะเนี่ยปวดหัวนะเอา เอาสิ่งที่จําเป็นไปก่อนทีละอย่างสองอย่างไปทําไปทําไปนะมันก็ค่ อ, คอยๆพัฒนาไปเหมือนกับการภาวนาของเราก็เหมือนกันนะให้ใจเราอยู่กับสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้เนาะถ้าใจเราไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นนะ่ะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนให้เราทําเหตุของแต่ละขณะแต่ละขณะให้มันดีเนาะการงานนั่นก็จะเป็นการงานชอบเนะ เราก็จะได้แบบไม่รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนะ่ะโอ้เสียเวลานะหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ขี้เกียจเหลือเกินหรือว่าหลงไปเยอะเหลือเกินนะแต่จริงถ้าเราพยายามทําเหตุในใจนะออพอมองกลับไปอดีตเอออาจจะมีความหลงบ้างแต่เราก็รู้ตัวได้เร็วขึ้นได้บ่อยขึ้นนะเมื่อใดที่ขี้เกียจนะเราก็มีความขยันเข้ามาแทนที่นะ เมื่อใดที่โกรธเราก็รู้ทันความโกรธได้เร็วมันก็ความโกรธก็ดับไปแล้วนี่เนะี่ยพอเรามองย้อนกลับไปในชีวิตของเราเองก็จะเห็นว่าเออเรามีพัฒนาการเนาะมีพัฒนาการเรื่อยๆมีพัฒนาการในะแต่ละขณะดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือความสําเร็จนะในชีวิตที่เราได้เดินคล้ายๆเหมือนกับเราเดินขึ้นเขาีนะ่ยถ้าเรามองแต่ยอดเขาว่าเมื่อไใ่มันจะถึงเนี่ย โอ้มันจะดูแล้วก็เหนื่อยแต่ถ้าเราลองหันหลังกลับไปมองดูเออเนี่ยจะมีคนเดินตามหลังเรานะพอหรือเราเองก็ขึ้นมาต้องมาสูงแล้วนะเห็นไหมเนี่ยบางคนเนี่ยไปคิดความสำเร็จไปเปรียบเทียบ ก, กับคนอื่นเนี่ยจะไปมองดูแต่คนอื่นที่ที่ดีกว่าเรานะหรือบางทีเราก็อยากจะได้แบบเขาเนี่ยก็คือพยายามมองไปแต่ข้างหน้าไปมองดูยอดเขา ไปดูปลายทางนะไปดูแบบนั้นมากๆกเก็เหนื่อยก็ทุกข์แต่ถ้าเราลองหันหลังกลับไปมองดูข้างหลังบ้างเออว่าเราเดินมาไกลแล้วเนาะชีวิตของเราเองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบปีนะเออก็เดินมาไกลแล้วเนาะชีวิตในวัยเด็กชีวิตในวัยรุ่นชีวิตในวัยทำงานเนี่ยโอ้ตอนนั้นเราก็ยังหลงอยู่หลายเรื่องเลยนะเนาะ ตอนนี้ก็รู้สึกตัวมากขึ้นหรือว่าเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็แสดงว่าเราเราก็มีพัฒนาการแล้วนะใช่ไหมอืมเราก็เดินมาไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไปพอใจเพียงแค่เ อ, อ่ยเราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วเนาะเราเดินมาถึงขึ้นเขาแล้วเนาะเราพอใจแค่นั้นก็ไม่ใช่เนาะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่านะให้เรามีความเพียรไปเรื่อยนะ มีความเพียรที่จะทําเหตุไปเรื่อยๆนะแต่ก็พอใจในผลแต่ละขณะเนะีอันนี้แหละคือการเดินทางนะถ้าชีวิตเราเปรียบกับการเดินทางขึ้นเขานะการภาวนาเปรียบเสมือนกับการที่เรามีสติในการเดินทางในอดีมักมีองแปดก็แล้วก็เหมือนกันนะเราก็พยายามทําเหตุตัวเนี้ยให้มันดีที่สุดแล้วก็ถ้าใจเราอยู่กับการทําเหตุในการรู้สึกตัวแต่ละขณะเนี่แหละ ผลก็คือความสุขความสงบใจหรือว่าความรู้ตัวในแต่ละขณะนี่แหละนะจะเรียกว่ามันเป็นนิพพาน น, น้อยก็ได้นะเป็นนิพพานทุกย่างก้าวนะนิพพานทุกลมหายใจนิพพานดับทุกนะที่มันลงไปคิดนะมันก็คือดับทุกไปแล้วแต่ละขณะแต่ละขณะนะให้เราพยายามพอใจในการทําเหตุตัวเนี้ยนเะี่ แล้วผลมันก็ย่อมปรากฏแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะของมันเองนเะหมือนกับฝนที่ตกนะฝนก็ตกทีละเม็ดทีละเม็ดนะรวมกันไปเรื่อยก็ทําให้น้ํามันเต็มถังเต็มโอ่งทําให้น้ํามันเต็มม่ยหนองคลองบึงได้นะแต่เราก็ต้องสะสมแบบนี้ไปเรื่อยนะก็คือการทําเหตุนะเนะี่ยก็คือการที่เรามาเรียนรู้นะธรรมะ เรียนรู้ชีวิตเนี่ก็คือเรามาเรียนรู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยถึงต่างๆที่มาประกอบกันเหตุอะไรทําให้เกิดความหลงทําให้เกิดความทุกข์เราก็พยายามละเหตุนั้นเสียเหตุอะไรที่ทาให้เกิดความรู้ตัวความไม่ทุกข์เราก็พยายามเจรเดินเหตุนั้นเสียนี่นแหละนี่คือการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมเนาะ ก, ก็ฝากไว้